أعوذ بالله من ا ل ش ي อชชาฏิบิสสลลาฮฺอัลฮัมดุลิ ح ลาฮ ل อัลล ل ฮฺบิลล ا ل ฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอั มิตรด a ยากนับบุญอวยยากนับสตางค์ให้ดินอัศวิน มิラーฮูรอฮามันูรอฮีมพี่น้องที่ชมรายการทุกท่านครับก่อนอื่นเราต้องขอบคุณอัลลอ์นะการขอบคุณอัลลอห์ให้ว่าอย่างไรนะอัลอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์องว่าสิว่าแรงๆหน่อยสิอัลฮัมดุลิลลาห์ว่าสินองว่าสิอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละเป็นการขอบคุณอัลลอ์ที่ดีที่สุด ถ้าเราว่าอย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาฮ์ใครแถมให้มาเลกาแถมว่าไงนะรอบบิลลาเลมีเพราะเราอ่านหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลาเลมีมาเลกาก่าวว่าไงนะอัลลอฮุมักฟิรลิอับดิกะอัลลอฮุมัฟิรลิอับดิกะแปลว่าโอ้ Allah โปรดอภัยโทษให้กับเบาวของท่านของท่านด้วยคนที่อ่านคุรานี่แหละอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลาเลมี ที่นั่งกันแบบนี้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฮัละกออะไรนะฮัละกอกุร์รานฮัละกอเนี่ยเป็นภาษาอาหรับแปลว่าตั้งวงตั้งวงเล่นไพ่ก็เรียกฮัละกอเหมือนกันนะ <c oughs> อะตั้งวงนินทาชาวบ้านก็ฮัละกอเหมือนกันตั้งวงนินทาการคุยเรื่องไร้สาระกิจกรรมน้ำชาเรื่องทั้งนี้ใช่ไหมแล้วก็สูบบุรุกูกร์ก็ฮัละกอเหมือนกันแต่เราไม่อยากใช้ เรามาใช้คัลลอฮ์กูร์านคัลกอกูร์านนี่ทําตามใครตามใครนะตามใครนะตามนบีนะนบีมูฮัมมัดสุลลัลละได้สลลัละอายฮิววาสัลลัมนี่ไงตามสุนนะนบีพ่อนบีเนี่ยอ่านกูร์านทุกวันเธออ่านกูร์านทุกวันไหมทุกวันไหมทุกวันไหมมาชะอัลลอฮ์นบีอ่านกูร์านทุกวันยิ่งในเดือนอมดอเนี่ยอ่านเยอะมากเลย นี่หลายคนนี่นะอ่านกุณอ่านเฉพาะในเดือนละมาดอนพอนอกเดือนละมาดอนหยุดเคยเห็นไหมเ ค, เคยเห็นไหม อ, อ่านเฉพาะในเดือนระมาดอนพอนอกระมาดอนบายบายไปแล้วฉันไม่ยุ่นแล้วุณอ่านไม่จับแล้วมีไหมมีอย่าทําอย่างนั้นอดีต ท, ทำมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแต่ถ้อ่านกุณอ่านตลอดเวลานะอ่านวละอย่างนี้นะบอกที่บ้านด้วยให้คุณพ่อคุณแม่ แล้วก็คุณลูกคุณหลานเนี่ยนะหกเจ็ดคนนั่งอยู่ในบ้านเนี่ยเอาเอาเอาคุรานมาอา่านแล้วก็อย่าอ่านเยอะอ่านกี่อายะห์ห้าอายะห์ก็พอสิทธายะก็พ อ, พอแล้วก็ฟังดูว่าลูกอ่านอ่านกุรานเป็นยังไงมาอ่านคุรานถูกไหมคุณพ่ออ่านคุรานตัวซีนชัดไหมตัวเชนชัดไหมก็เช็คกันในบ้านเสร็จแล้วก็เอาคําแปลคุรานถ้าเธอมีความสามารถแปลกว่นั้นยิ่งดีใหญ่เลย เานอกานมาแปลและอธิบายความหมายของอัลกุรอานกรจนะวันนี้เราอ่านสุรอะไรนะสุร์อัลฟาติฮะุรอะไรนะอัลฟาติฮะอนแล้วช่วงมื่อกี้เนี่ยกี่อายะห์ทั้งหมดอ่ะสุรพายมีข้ออายะห์เจ็อายะห์สุรฟาติฮะมีขออายะห์นะเจ็ับอาสับอาเซวซวอายะห์เอายะห์สับอาอายะห์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้อธิบายครั้งว่า ก่อนจะอ่านกุญยอ่านให้อ่านอะอูซุบิลละอ้าวอูซุบิลละแปลว่าฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากอะไรชายตอนที่ถูกสาบแช่งชายตอนเนี่ยอยากให้ชายตอนอยู่ใกล้ตัวเราหรืออยากให้ชายมาเลิกาอยู่ใกล้ตัวเราถามเธอมาเิกาอยากให้ชายตอนอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลไกลเธอชายตอนอยู่ไกลดีหรืออยู่ใกล้ดี ไกลดีกว่านะให้อะไรมันอยู่ใกล้ตัวเราทํำยังไงให้มอิกามาอยู่ใกล้ตัวเรารู้ป่ะทําไงรู้ไหมทําไงอ่านคุรานดิอ่านคุนรานปั๊บเนี่ยชายตอนหนีใครเข้ามานะมรอริกาเข้ามาจะนั่งพยายามคนทะเลาะกันคนนินทากันนั่งนินทาอยู่อะไรอยู่ใกล้ชายตอนอยู่ใกล้ทะเลาะกันใครยๆอยู่ใกล้ชายตอนอยู่ใกล้ มีมี ม, ม, ม, มีตัวอย่างให้เล่าฟังในะสมัยนบีทา่านอบูบักรอตลย์รอของอันฮูกับท่านนาบีเนี่ยสองคนนั่งกันอยู่นั่งอย่างเงี้ยนั่งกันสองคนแล้วมีคนยาฮูดีคนหนึ่งอ่ะเดินเข้ามาแต่ไม่เห็นนบีนบียืนอยู่กับท่านอาบูบักนะยืนกันสองคนแต่ยาฮูดีคนเนี้ยไม่เห็นนบีศัตรูของอิสลามยาฮูดีมาถึงก็ามาด่าด่ า, า, าท่านอาบูบัก นบียืนห่างๆนบียิ้มท่านอบูบักไม่ดาตอบดาปาปาดาดาท่านอุบักยืนเฉย น, นบียืนยิ้มอยู่พอท่านอบูบักทนไม่ไหวดาแรงหนักหนักเข้ากันเลยดาตอบเป็นบางครันเพราะดาตอบท่านนาบีเดินออกแล้วก็ท่านอบูบักเดินตามนาบีไป ถามว่านบีออกมาทําไมอ่ะนบีก็เล่าว่าเมื่อตอนที่ท่านอับูบักคถูกด่าเนี่ยท่านไม่ตอบเนี่ยฉันเป็นนบีฉันเห็นมาเลย์กาเนี่ยยืนอยู่กับท่านเนี่ยด่าตอบแทนท่านอยู่ใครด่าตอบแทนนะมาเลกาเมื่อท่านทําหน้าที่ซะเองมาด่าเองด่าตอบเองมาเลย์กาเดินออกอ่ะ ฉันก็เลยเดินออกตามใครตามมาลาอิกาไปด้วยนั่นเห็นอย่างฉะนั้นเราถูกด่าเนี่ยเราอยู่กับใครอยู่กับมาลาอิกาถ้าเราด่าตอบยุคนี้เราอยู่กับชาตอนต่อฉะนั้นต้องอดทนทั้งหมดเนี่ยคนที่เข้าใจอิสลามเข้าใจาศาสนาเข้าใจคําสอนของนบีนี่นะเขาจะใช้ความอดทนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอถูกด่าลราทนไหวไหมไม่ไหวอ๋อถ้าเป็นเพื่อนๆกั น, นกในยอมไม่ยอม พยายามยอมกันนะต่อไปพยายามยอมนะเพราะเราอยู่อยู่อยู่กับใครนะอยู่กับมดายิกะอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจนะอาทีนี้อาทิตย์ที่แล้วเราอ่านอูซบิลละให้อ่านให้อ่านดูอาอ่านดูอาเนี่ยขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นกับชรตอนก่อนจะอ่านคุรานแล้วก็ให้อ่านอะไรนะในนามก็เหมือนกันพอตักบี้อขึ้นอัลลอฮ์อักบัดยกมือขึ้นนี่นะหลังจากอ่านอะไรนะดูอาอิฟติตาเสร็จแล้วเนี่ย วัจจัตุวัดฮิยาลิลละจีฟะตุรอสส์มะวะติบัลอร์ถ์นิฟะมุสลิมะอะมาอันมินัลมุชริกินอินน์ صلاة และนุ ك ุกีวม ي ا ء วามามตีลิลลอฮิรับบิลอาลามินลาชาริคัลห์อุะบิดะลิกะอุมิตุวะอันมินัลมุสลิมินละก็อัน و ذ بالله أنقاي كاين أ و ذ بالله من ا ل ش ط ا ا ل ر ي م بسم الله ก็อันค่อยเหมือนกัน Kita bacaan siang dan Alhamdulillahirobbilalamin ini pensunan kongtahan nabi. Kenan Bismillah, kabauzubillah. Tengah baca dalam nama. Dua kita bacaan siang apa? Siang koi yang ini pentol. Malam, malam hari lepas bacaan apa? Alhamdulillahirobbilalamin. Katakan ini niat dengan Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah, Puan Puan, Puan Puan, Puan Puan, Puan Puan, Puan Puan, Puan Puan, Puan Puan, n Puan, a n a n a คำว่าอัรลอฮ์มาเนี่ยผู้ทรงกรุณาปานีเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาปานีกับคนทุกคนที่อยู่บนโลกใบ น, นี้ใช่ไห ม, มคนนั้นจะเป็นมุสลิมมาจะมุสลิมแพะแกะวัวควายเราดูแลหมดเลยแต่อัลรลอฮิมอัลลอฮ์เมตตาเฉพาะคน ใ, ในโลกมุสลินในโลกอาคีรอเท่านั้นอัลลอฮิมเนี่ยหมายถึงอัลลอฮ์เนี่ยเมตตา นะครับคนใดคนที่เป็นมุมินให้อยู่ในสวนสวรรค์เฉพาะคนที่เมตคนที่มีอิมานตลอดเท่านั้นเข้าใจนะฉะนั้นบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีนี่มีความหมายที่ที่กระชับมาดูเลยแล้วต่อมาอัลฮะมดุลิลลาฮิรอบบิลลาลามีนบรรดาการสเสริญทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาแปล ว, ว่าบรรดาการสเสริญทั้งหลายเป็นของใครเป็นของอัลลอ ใครจะสรรเสริญใครยกย่องใครก็ตามกลับไปหาอัลลอฮ์หมดการยกย่องสรรเสริญกลับไปหาใครกลับหาอัลลอฮ์หมดเลยอัลลอฮ์เป็นใครครับรอบบุญอ่ามันรอบบุญรอบบุญแปลว่าไม่ใช่พระเจ้าพระผู้อภิบาลข้าอีลาหุนแปลว่าพระเจ้านา่รอบบุญแปลว่าพระผู้อภิบาลผู้รับผิดชอบดูแลหมดเลยนะ่ะ ดูแลดวงอาทิตย์ให้โครจรดูแลดวงจันทร์ให้เอาแสงดวงอาทิตย์ที่อยู่ในดวงจันทร์เนี่ยรับจากแสงดวงอาทิตย์นะแสงในตัวดวงจันทร์เนี่ยไม่มีใครจัดอัลล์จัดฉะนั้นดวงอาทิตย์มีแสงอยู่ในตัวของมันเองแสงนี่มาจากไหนมาจากาอัลลุบฮอลอัลลอฮุนูรุสมวะติบัลอัลมัซลนูรีกมิกาติฟฮามิส อัลมิสบาห์ฟิซูจัจจอัซูจัจจะทกข์แหนะกาวกะบุนตุรียุนยุควดูมิ่ชาจารวติมุบะรักตินไซตูนะอย่านี้เป็นตน้นนั้นรัศมีจากดวงอาทิตย์มาจากอัลลอฮ์คนที่มีรัศมีบนโลกดุนยาแบนี้ก็คือคนที่มีอีมานหวัวใจเนี่ยหัวใจที่มี إ ي م า ن เนี่ยหัวใจที่มีรัศมีแต่ี้คนที่มีหวัวใจที่มีรัศมีแล้วถ้ามีความรู้ด้วย ดีมที่พวกเธอเนีขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์ส่งมาเรียนหนังสือที่นี่นะแต่ตั้งใจเรียนอย่าเกยเยอะนะนะต้องขยันเรียนหนังสือนะฉะนั้นมีอิมาแล้วมีอัลไลคมความรู้เมื่อมีความรู้แล้วอามันเนี่ยมันจะตามมาอามันทิศซอแล้วก็อยากจะทำอามันทิศซอแล้วสม่าเสมอเข้าใจนะอัลฮัมดุลิลละบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์รอบบุญ อโลเป็นพระผู้อภิบาลทั้งหมดเลยนะอารามินหมายถึงจักรวาลทั้งหมดอารามเป็นเอกเป็นเอกพจนี่มันอารามีนเป็นพระหูพจน์โลกหลายๆโลกมีโลกอะไรบ้างะโลกแห่งยินโลกของมนุษย์โลกของดวงดาวโลกของดวงจันทร์โลกของมลัยกะโลกของอะไรนะสัตว์โลกของต้นไม้ โลกเต็มหมดเลยอุลมามะเขาแนะนําไว้สองสองรายการในตับเซตกุตบีมาบอกว่ามีประมาณ 80,000 ืนกว่ารายการ 80,000 ืนกว่าโลกอีกท่านหนึ่งบอกว่ามีประมาณสี่หมื่นอาลามินมีประมาณสี่หมืนบางท่านว่า8ปด0 0ื่นอัลลอฮ์ดูแลรับผิดชอบกับเพียงเพีย ง, เ พ, ยงเพียงผู้เดียวเฉพาะมนุษย์มีเท่าไหร่ใช่หมเจ็ด00นเท่าไหร่เจ็0พันล้านเฉพาะมนุษย์เนี่ย เพันล้านอยู่ทั่วโลกหมดเลยอัลลอฮ์รับผิดชอบดูแลแต่เพียงผู้เดียวให้คนนี้ตายให้คนนี้เจริญให้คนนี้แก่ให้คนนี้ผมงอกให้คนนี้ไม่สบายให้คนนี้แต่งงานให้คนนี้มีลูกให้คนนี้ลูกตายให้คนนี้ลูกเป็นให้คนนี้เป็นนายกให้คนนี้เป็นสอสอัลลอฮ์จัดหมดเลยไงใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะอัลฮัมดูลิลละฮิบรรดาร์กาสาสิ์ทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ รับบุญอาลัมินรับบิลอาลัมิ่นเป็ผู้อภิบาลแห่งสากลและจากวาลอ้ยานี้มุสลิมต้องอ่านใจใจต้องกว้างสร้างนาบีอีสซาผ่านแม่ไม่ผ่านพ อ, พอสร้างนาบีอีสซาปั๊บมีปัญหาเลยนึกว่านาบีอีสซาเป็นลูก อ, ลอัลลอฮ์เป็น้องเรากลุ่มหนึ่งคิดว่าเป็นลูกอัลลอฮ์อัอลลอฮ์พอใจไหมอลัลลอฮ์ไม่พอใจอลัลลอฮ์ว่า الحمد ุ לillah บรรดากาสรเสริญท uh, uh, uh. ั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์รับบุลอาลามินรบบิลอาลามินพระผู้อภิบาลแห่งสากลและจักรวาลอายะนี้มุสลิมต้องอ่านใจใจต้องกว้างสอนใหีเราใจกว้างไม่ใจแคบอ่าท่านมุสลิมจะต้องใจใจกว้างใจกว้างอย่าเป็นคนใจแคบฉันมาจากปัตตานีฉันเอาไมครับเอาปัตตานีอย่างเดียวอย่า เราสร้างมากรุงเทพเอากรุงเทพด้วยเอาปัตตานีด้วยเอายะลาเอายะาทิวาดเอาอะไรนะจังหวัดตราดเอาหมดเราเป็นคนอะไรอินเตอร์ในสุนทรภเป็นคนสากลนบีผอมใหม่เป็นคนสากลใช่หรือไม่ใช่ใช่ใชดูที่คนรอนบนบีมาจากคาบาชามีไหมมาจากคนผิวดํามีไหมบิลลารผิวดำหรือผิวผิวขาวผิวดําเห็นอย่างนาบีเป็นคนใจกว้างเราก็เอา อัคราของท่านนบีอย่าเป็นคนเห็นกับตัวเอาเฉพาะของเค็ดเอาไมขอเค็ดเอาของเค็ดด้วยเอาน้องบอลด้วยเนี่ยเอาหัวปลาด้วยเอาหมดเลยที่เราเป็นมุสลิมเราเข้าได้หมดเลยนี่ไงพอเข้าแล้วมีโอกาสได้สอนศาสนาอัลฮัมดุลิลละบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์รับบิลรบบิลอาลามีนพผู้อาิบาลแห่งสากลและจักรวาลอธิบายนิดนึงมนุษย์ถูกสร้างมาจากอะไร มาลายกาถูกสร้างมาจากยินถูกสร้างมาจากเปลวไฟไชตอนถูกสร้างมาจากไฟเห็นไหมแต่ละอย่างอะไรอย่างที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยใครใครทําได้บ้างเอามนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาสี่แบบใช่หรือไม่ใช่ใชแบบที่หนึ่งสร้างมาแบบไม่มีพ่อและไม่มีแม่ใครนบีอะไรอาดัมพี่พ่อไหมมีแม่ไหม <c oughs> นี่ไงทุกคนยอมยอมรับหมด ต่อมาประเภทที่สองสร้างฮาวะพระยาเหมือนนไม่ใช่ฮาวานะาาฮาวะฮาวาัสดาฮาวะอะไรนะพระยาของนบีอาดัมสร้างผ่านพ่อจากชีคโครก่อนนบีอาดัมมีแม่มีไหมไม่มีเห็นไหมประเภทที่หนึ่งสร้างอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่สร้างโตฮาวะผ่านพ่อไม่ผ่านแม่สร้างนาบีอิสรา ผ่านแม่ไม่ผ่านพอซารานเบนอีสซาปั๊บมีปัญหาเลยนึกว่านบีอิสซาเป็นลูกอัลลอฮ์น้องเรากลุ่มหนึ่งคิดว่าเป็นลูกอัลลอฮ์อัลลอฮ์พอใจไหมอัลลอฮ์ไม่พอใจอัลลอฮ์ว่ากุลหูวอัลลอฮ์หัวอาฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮสมาตอัลลอ์เป็นที่พึ่งลำยะลิดอัลลอ์ไม่มีลูกว่าลำยูลัดอัลลอฮ์ไม่ถูกประตดไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วไปใส่แคล้วอัลลอฮ์มีลูกอัลลอฮ์พอใจไมมพอใจ นบีอิสซาอัลลอฮ์สร้างมาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อแล้วก็พวกเราวันนี้ผ่านทั้งพ่อและผ่านทั้งแม่ใช่ไห ม, ไหมนิก้าไม่นิก้าอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าถ้าไม่นิก้าก็เราเป็นลูกอะไรลูกซินาไปใช่ใชหรือไม่ใช่แต่ลูกซีนาไม่ผิดพ่อแม่ผิดเราผิดชอบเองก็แล้วกันเราไม่ผิดเพราะพ่อเราสร้างเรามาทมดุลิละผ่านพ่อผ่านแม่นิกไอ้นิก้าทำไมนิก้าอีกเรื่องหนึ่งนะเข้าใจนะท่า น, นขอบคุณอัลลอฮ์ ฉะนั้นเวลาขอบคุณเราให้กล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาหถ้าเรากล่าวคราวนี้ใครใครใครมาแถมนะมาลาอิกะแถมว่าไงรบบินาอลมินถ้าเรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาริรบบินอลมินอ้าวมลาอิกะกล่าวว่าไงนะอลัลลอฮุมะฟิรลิอาบดิกะอัลลอฮุมฟิรลิอ บ, อมมอบนี่เป็นภาษาของมาลาอิกะเราเอามาเล่าให้พวกเราฟังฟังกันเองเอาต่อมา อัลรอฮ์มานีร์หิมอัลล์มานียรหิบอธิบายแล้วเนี่ยตอนต้นคืออัลฮ์มาเนี่ยเป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์อัลลอ์เป็นผู้ส่งอะไรนะส่งเมตตาให้อากาศให้อาหารให้เสื้อผ้าให้ภรรยาให้ลูกให้บ้านให้ที่อยู่อาศัยให้รถให้เครื่องบินให้คนชาอยู่บนดุนยานี้ ใช่ไหมอัลลอฮ์ให้กับคนทุกคนเลยแต่อิสลามเนี่ยอัลลอฮ์เลือกให้กับคนบางคนใช่หรือไม่ใช่ดุลย์เนี่ยวัตถุอัลลอฮ์แบ่งให้ทุกคนชายเหมือนกั น, กนหมดเลยแต่อิสลามเนี่ยอัลลอฮ์เลือกให้กับคนบางคนไม่ใช่ให้กับทุกคน <favourite> พวกเราเนี่ยต้องต้ตตตตกลาวาลว่าอะไรทำไปแล้วนะอัลลอฮ์ให้อิสลามกับเรามาต้องขอบคุณอัลนะอลอฮ์ سبحانه และก็อะไรคนอยู่ริม บ, บ้านเราไม่ใช่มุสลิมมีไหมมีนั่นอัลลอฮ์ยังไม่ได้เปิดไฟเขียว อลนี่อัลลอฮ์เปิดพรกิอัลลอะ์ยกขึ้นมาอัลหัมดุนิเลอ์ให้เป็นคนที่มีอีมานหัวใจมีรัศมีต้องขอบคุณอัลลอฮ์ต่อมาครับอรัรอฮ์มหต้องนึกอรัรลฮ์ใเนี่ยผู้ทรงเมตตาเสมอนี่เมตตาเมื่อไรครับในวันตียอมะให้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ สำหรับคนที่มีอีมานต่อ a l l a มีตักวาต่อ a l l a มียักตีนมีอยาศามีอิกลาสมีสุนนะของท่านนาบีอย่างนี้เป็นตนเข้าใจนะอต่อมาครับ้องอ่านซิมาอะไรนะดังๆนิดหนึง่งมาลิกิยาวนิดดีไม่อยู่สามคำมาลิกมาลิกแปลว่าเป็นผู้เป็นผู้เป็น เป็นพระเจ้าอ่ามาลรกเป็นเป็นเป็นคิงอ่าเป็นคิงเป็นพระเจ้านะครับเป็นผู้ตัดสินยาวยาวบุญในวันอดีนวันวันวันวันวันวันตัดสินอ่าวันตัดสินมายถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้เด็ดขาดเป็นพระเจ้าเด็ดขาดในวันตัดสินตัดสินเมื่อไรรู้ไหมตัดสินกันเมื่อไรอัลลอฮ์ตัดสินกันเมื่อไรรู้ไหมในวันอาคิรอนูน บนดุนยานี่อัลลอ์ให้มนุษย์กับมนุษย์ดูแลกันเองอาจารย์สันมิดดูแลเธอใช่ไหมตีบ้างปบบ้างใช่ไห ม, ไ ม, มตีบ้างอะไรบ้างนี่ดูแลกันเองถ้าถ้าดูแลดีก็มีรางวัลถ้าดูแลไม่ดีอัลลอ์ก็เรยงงานต่อใช่ไหมทีนี้ในวันกิยามาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้มนุษย์ดูแลมนุษย์แล้วอัลลอฮ์ดูแลแทนเลยให้รางวัลตัดสินกับคนที่ทำความดีบนโลกดุนยาไปนี้ วันนี้อัลลอฮ์ให้มนุษย์ดูแลกันเองมีรัฐบาลดูแลก็ดูกันมีตำรวจมีทหารเอาไว้ฆ่าคนนั้นยิงคนนี้ก็ตามแต่เขาจัดการกันเองอัลลอฮ์มองอยู่ดูนะเองจัดการไม่ดีฉันจัดการเธอเหมือนกันฉะนั้นถ้าจะเป็นผู้นำต้องนึกถึงคอลีฟะอุมัดอลลอฮ์หวานดายนาอุมัดเนี่ยเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนดีแต่ไม่เคยตบตีใครไม่เคยด่าใคร มีแต่เชิญชวนคนที่รู้จักอิสลามใช่นะนามารีกียามิดีนอัลลอเป็นผูด้เด็ดขาดในวันตัดสินอ่าในวันตัดสินนี่คือต้องนึกภาพในวันอาคิเราเมืภาพอย่างนี้คนพอตายไปแล้วเนี่ยต้องผ่านอีก8ดขั้นตอนทุกคนเนี่ยพอตายภาพนี้นะเกิดเท่าไรตายเท่านั้นตายแล้วต้องผ่านอีก8ดขั้นตอนหนึ่งผ่านกูโบ ไทยไดไาาย้ไม่ใช่สองมลาอิกาชื่อนากียรกับมุ่งกัดมาสอบมาใจธรรมดานะสอบนะแล้วก็พามาามาด้วยถัดสอบไม่ผ่านถูกอัดถูกอัดนะ่อยู่ ใ, ใต้ดินนั่นแหละสองแล้วนะสามฟื้นคืนชีพหนักหมดเลยสามรายการนี่หนักมักทั้งหมดเลยข้อที่4ีไปรวมตัวกันที่ทุ่ง มาชัดมาชัดแปลว่าสถ า, านที่ชุมนุมฮาชารอบแปลว่าชุมนุมมาชัดที่ชุมนุมทุกคนจะต้องไปรวมตัวกันนั้นหมดเลยอันนั้นอันอนั้นที่ห้าอะไรนะใครทราบคิดบัญชีนี่ไงมาลิกิยาบิดีนอัลลอฮฺเป็นคู่คิดคิดบัญชีแล้วก็มีมีซานมีตาช่างทุกคนต้องผ่านตาช่างหมดเลยแล้วก็มีอะไรอีกมีแจกอะไรนะ แจกสมุดบันทึกแต่ละคนแต่ละคนที่เอาล่อสร้างมามีไหมมีของผมก็มีของพวกเธอก็มีของคำซาก็มีของคำมาสก็ ม, กมีมีอะไรนะมีสมุดบันทึกแต่ละคนเอาล่อจะแจกให้ในวันนั้น1ผ่านกูโบ2ผ่านมาลออิกะาสาผ่านวันฟื้นคืนชีพ4ไปรวมตัวการที่ทวงมาชัดข้อที่5ผ่านตาช่างข้อที่6ผ่านอะไรนะผ่านบัญชีข้อที่7ผ่านซีโร สะพานข้อที่แปดข้อที่เจสวรรค์หรือก็นรกแปขั้นตอนเห็นยังชิดันชีวิตในคนมาลิกียาเมดินอัลลอฮ์เป็นผู้เด็ดขาดตัดสินในวันในวันกิยมามะเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดชิดันเราต้องนึกเยอะๆจะทําความดีต้องนึกถึงวันวันกิยมามะจะจะแก้แค้นนึกถึงวันกิยมามะด้วยจะลักของใครนึกถึงวันกิยมามะด้วย พออัลลอฮฺจะคิดคิดบัญชีคนที่ทําความดีแล้วก็ให้รางวัลตอบแทนคนที่ทําความดีคนที่ทําความชั่วก็จะถูกลงโทษตอบแทนเหมือนกันก็ได้กี่อายะนะแต่ประมาณสามอายะสี่อายะสี่อายะมาลิกิยาอุมบิดีสรุปกระสั้นก็คือเราต้องให้กล่าวอัลฮัมดุลิลละเยอะเย้ยอ่านบิสมิลลาห์ทุกครั้งที่จะทําความดีแล้วก็ให้นึกถึงสิขัาอัลลอฮฺมีอยู่กี่ข้อนะ Tiga kah, ni Al Rahman, Al Rahim, Malikiyamuddin. Wani, ambik kah ni kah nah. Subhanallah. Kuma wa bihamdiqa. Shaduallahuillahillah andas. Subhanak. Astagfiru kawatubilla.